สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเดชกรคุณชอบเล่าคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามกันบ้างนะครับก็เรื่องราวจากเพื่อนสมาชิกแหละครับเขาว่าจะเป็นนร้อยตํารวจเอกตัวปลอมปลอมตัวมาก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นสายลับจึงทําให้ไม่สามารถเปิดเผยนามได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่ได้กรุณาแชร์ข้อมูลมาให้ถ่ายทอดนั่นก็พอแล้วแล้วเรื่องราวของเพื่อนสมาชิกผู้ลึกลับท่านนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับสวัสดีครับ ผมขอเล่ประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากเรื่นพี่ที่ทํางานด้วยกันเมื่อประมาณปี2544ครับแกชื่อพี่นัดเป็นเรื่องราวที่แกได้เล่าให้ผมฟังในตอนที่ผมได้ไปนั่งดื่มเหล้าที่บ้านของแกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านที่แกอยู่อาศัยนั่นแหละซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เดียวกันกับที่ผมได้ไปนั่งดื่มเหล้ากับแกแล้วแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมไม่งงกันนะครับเข้าเรื่องต่อเลยแกเล่าว่าบ้านหลังนี้สถานที่ที่นั่งดื่มกันอยู่เนี่ยแกซื้อต่อมาจากเพื่อนแกอีกทอดหนึ่ง ทีแรกที่ผมได้ฟังก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไรเลยก็แค่ซื้อบ้านต่อจากเพื่อนมาไม่เห็นแปลกและสไตลของบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวมีอนันต์เนื้อที่ประมาณ45ตารางวาแล้วก็มีสวนหลังบ้านด้วยเป็นแปลงผักสวนครัวบรรยากาศก็ถือว่าร่มรื่นน่าอยู่มากแถมต้งบริเวณหน้าบ้านยังมีต้นมะขามใหญ่ด้วยร่มรื่นแลบว่าเป็นสถานที่อเหมาะเสียจริงในการตั้งวงรัมสุรายิ่งตอนเย็นด้วยบรรยากาศให้มากๆแต่บ้านหลังนี้จากที่เห็นก็มีข้อเสียอยู่อย่าง คือค่อนข้างไกลาจากบ้านหลังอื่นมากพอลองมองออกไปจากตัวบ้านของแกแทบจะบอกได้เต็มปากเลยว่าในละแวกใกล้เคียงกับรอบข้างไร้เพื่อนบ้านมันเหมือนกับว่ามีบ้านแกอยู่เพียงหลังเดียวตรงพื้นที่นั้นแกบอกว่าตอนที่แกเข้ามาดูบ้านหลังนี้ในครั้งแรกพอเห็นปุ๊บแล้วแกก็ชอบเลยเพราะว่าบรรยากาศมันเงียบสงบดีมากอากาศก็ดีและที่สําคัญราคาขายก็ถูกมากด้วยก็ตามธรรมเนียมนะแกก็ถามเหตุผลของเพื่อนแกว่าเฮ้ย hey, ถามจริงจะขายทําไม บ้านก็ยังน้าอยู่สภาพเหมือนใหม่มากคล้ายกับว่าไม่ค่อยมีคนมาอาศัยอยู่อยู่ไม่ได้เพื่อนแกตอบด้วยใบหน้านิ่งแล้วก็นิ่งไปนิดนึงทำหน้าเหมือนกำลังใช้ความคิดทำไมอยู่ไม่ได้ล่ะพิ่นัดแกก็ถามอีกคิดว่าจะย้ายไปอยู่บ้านแฟนนะ่ะทั้งเดิอเดินทางไปทำงานและยังได้อยู่กับแฟนด้วยเพื่อนแกอธิบายพอได้ฟังจนรู้ความพิ่นัดก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเพรา ะ, ระด้วยราคาของตัวบ้านที่เพื่งเสนอมานั้นราคาก็ถือว่าถูกกว่าบ้านในละแวกเดียวกันถึงครึ่งหนึง่ง แล้วตัวแกเองก็อยากจะได้ด้วยพี่นัดแกก็ตอบตกลงซื้อต่อทันทีหลังจากที่ทําการโอนซื้อขายกันเรียบร้อยแกไม่รอช้าย้ายเข้าไปอยู่เลยแกเล่า ว, ว่าวันแรกที่แกเข้าไปอยู่แกก็ไม่ลืมที่จะจุดทูป บ, บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่ปกครองบ้านหลังนั้นขอเข้ามาอาศัยอยู่แล้วแกก็อาศัยอยู่ไปบ้านก็ถูกใจราคาก็ได้บรรยากาศก็ดีอยู่แล้วรู้สึกสบายใจใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นด้วยความปกติสุขดี จที่ฟังรู้เลยว่าพี่นัดแกภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากดู ว, ว่าบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของแกแกก็อยู่ไปด้วยความสบายใจส่วนกระทั่ง1สัปดาห์ผ่านไปก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในวันที่แฟนของแกมานอนค้างที่บ้านในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหตุการณ์แรกก็คือหลังจากที่แกกับแฟนพากันไปกินข้าวนอกบ้านกันพอกลับมาถึงบ้านแกก็งงเพราะว่าดวไฟทุกดวงในบ้านของแกตอนนี้มันเปิดทุกดวงเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะ แต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าแฟนของแกคงจะลืมเปิดทิ้งเอาไว้น่าจะตอนที่จออกไปกินข้าวกันแกก็เลยถามคุณเปิดไฟทิ้งเอาไว้ก่อนที่จอบไปกินข้าวกันใช่ไหมเปล่านะก่อนออกไปก็ยังไม่มืดเลยเนะี่ยจะเปิดไฟทําไมล่ะพี่นัดได้ฟังคําตอบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อกลัวจะเป็นเรื่องเถียงกันซะเปล่าไม่เป็นไรไม่เปิดทิ้งไว้ก็ไม่เปิดทิ้งไว้แลังดึกคืนนั้นเองหลังจากที่ได้เข้านอนกันแล้วเมื่อถึงกลางดึกกันมังนอนเพลินด้วยความสบายพี่นัดก็มีอันต้องมาสะดุ้งตื่นขึ้น พระว่าหูของแกได้ยินเสียงร้องไห้ <c oughs> พอลืมตาได้ก็รีบหันไปมองแฟนที่นอนอยู่ข้างๆแกจึงได้รู้ว่าเสียงร้องไห้ที่แกได้ยินนั้นมันก็ดังมาจากแฟนแกนี่เองมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกคิดทำไมอยู่ๆแฟนถึงได้ร้องไห้ไม่พูดไม่จาอะไรเลยเอาตะมือมาปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเอ๊ะหรือว่าจะละเมอแกเห็นแล้วก็ตกใจพยายามพูดปลอบแฟนเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมร้องไห้ไม่มีอะไรไม่มีอะไร ขวัญมาขวัญมานะแฟนแกก็ไม่หยุดร้องไม่ตอบอะไรเพียงแต่บอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านใจเ ย, ย็นก่อนสิจะกลับยังไงรถก็หมดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เช้าจะไปได้ยังไงแกก็พยายามปลอบแฟนแกอยู่นานกว่าแฟนแกจะสงบลงได้เวลาก็ปาเข้าไปตีห้ากว่าแล้วและมาถึงเวลาหกโมงเชา้าพระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นแฟนแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ร้องไห้นะ่ะเพระผู้ฝันร้าย ฝันว่ามียายแก่คนนึงไม่รู้ว่ามาจากไหนอยู่ๆก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็มายืนชี้หน้าด่าบอกว่าไปออกไปจากบ้านข้าเลยนะทั้งสองคนบ้านนี้เป็นของข้าให้ออกไปทําไมไปจะเห็นดีกันพอแคพูดจบยายคนนั้นก็กลายร่างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยน่ากลัวมากเห็นแล้วก็เลยกลัวจนร้องไห้คิดมากนะตัวผมนอนที่บ้านหลังนี้มาก็หลายวันแล้วยังไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลย พี่นัดปลอบแฟนอีกทีนึงพอพูดจบเท่านั้นแหละพลุหลอดไฟที่หน้าบ้านก็ตกลงมาใส่พี่นัดแต่ไม่โดนแค่หล่นอยู่ใกล้ๆกับตัวแกแฟนแกตกใจมากทำท่าเหมือนจะร้องไห้อีกครั้งสงสัยหลอดไฟจะเก่าแล้วนะมันก็เลยหลุดออกมาแต่ก็ยังโชคดีนะที่ไม่โดนหัวพี่นัดว่าพอใสสายพี่นัดก็ออกไปส่งแฟนแล้วก็เลยไปหาเพื่อนกว่าจะกลับมาถึงบ้านได้ก็มืดค่าพอดีและเมื่อแกกลับมาถึงบ้านแกก็ต้องแปลกใจอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าไฟเปิดทั้งบ้านอีกแล้ว แกก็เริ่มคิดว่ามันแปลกแล้วซิออกไปตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้ลืมปิดไฟไว้แล้วทําไมไฟมันถึงได้เปิดได้หรือว่ามันจะมีไฟลัดวงจรทําให้ไฟเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตรวจดูคิดได้ดังนั้นพินัดกก็รีบตรงไปตรวจดูตรงแผงควบคุมไฟทันทีแต่แกก็ไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติเลยเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยจึงได้อาบน้าแล้วก็เข้านอนและพอแกนอนหลับไปได้สักพักหนึ่งก็มันอยู่ในสภาพเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นตาแกหลีบหรือลืมขึ้นก็เหลือบไปเห็นเงาดําๆเงานึงปรากฏขึ้น ดูไปลักษณะของเงาคล้ายหญิงแก่ยืนอยู่ที่ปลายเท้าแก่ยังมองไม่ชัดก็เลยเพ่งตามองไปแล้วระหว่างนั้นเองก็มีเสียงตวัดดังขึ้นไปออกไปจากบ้านค่ะเดี๋ยวนี้เลยนะและทำไมและก็ข้าจะเอาให้ตายออกไปพี่นัสดสะดุ้งตกใจสติถึงขึ้นเต็มตัวความรู้สึกเหมือนกับว่านี่ไม่ใช่ความฝันแน่นอนเพราะว่าเมื่อเพ่งตามองตรงไปยังที่มาของเสียงแล้วหญิงแก่ที่ขึ้นเสียงตวัดก็ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแก แต่ตอนนี้ร่างกายของแกไม่สามารถจะขยับอะไรได้กลัวก็กลัวเพราะรู้ว่าไม่ใช่คนแน่พินันทพยายามแข็งใจบอกออกไปว่ายายบ้านนี้ผมซื้อมาจากเจ้าของเก่าแ ล, แ, ล แ, ลแล้วแล้วยายเป็นใครยาแกะลึกลับนั้นก็บอกว่า <c oughs> ข้านี่แหละเจ้าของบ้านและแกต้องออกไปไม่พูดเปล่าว่าแล้วยายลึกลับคนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาแกเดินเข้ามาช้าๆพร้อมกับความเย็นวังเวง เข้ามาแล้วก็ใกล้เข้ามาพิ่นัดไม่สามารถขยับตัวได้รู้สึกหนาวคนลุบไปทั้งตัวระหว่างที่ร่างนั้นใกล้เข้ามาหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะเลยและสุดท้ายยายแก่ก็เหยียบมาบนที่นอนแล้วก็ขึ้นไปเหยียบหน้าอกของแกพี่นัดแรู้สึกหายใจไม่ออกแกพยายามดิน้นดินแล้วก็ดิน้นดินอยู่นานมากสมองสับสนวุ่นวายนี่มันเกิดอะไรขึ้นและยายแก่คนนี้เป็นใครออกไปออกไปสินี่แก่ที่เหยียบหน้าอกยังคงก้องกังวานอยู่ในรูหู พร้อกับบาดท้าของแกที่ทําให้อึดอัดหายใจไม่ออกก็จังคงอยู่บนหน้าอกพินะทําอะไรไม่ได้นอกจากดิ้นอย่างเดียวดิ้นแล้วก็ดิ้นหลับหูหลับตาดิ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแกก็ลุกขึ้นมาได้แกบอกว่าตอนนั้นเหงื่อท่วมตัวเลยลุกขึ้นมาได้ก็นั่งหายใจหอบอยู่นิดนึงเหลยวซ้ายแหลกขวามองออกไปก็ไม่เห็นยแก่แล้วแต่ที่แน่ๆแกไม่กล้านอนต่อตัดสินใจตื่นทันทีแกนั่งทางตารอจนเช้าและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณมาถึงแกก็รีบไปซื้อของมาใส่บาตร แล้วก็ที่ศู่วนบุญกุศลให้กับยายคนนั้นเมื่อคืนนี้ที่มาเหยียบแกนะ่น่ะพอใส่บาเสร็จก็รีบกลับเข้าบ้านแกก็ได้ยินเสียงแว่แววมาเข้าหูแต่แกก็ฟังไม่ถนัดนักไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่คล้ายๆเจ้คุณแก่นี่แหละไม่ได้สนใจรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกไปหาแฟนแกที่บ้านเมื่อไปถึงที่บ้านแฟนก็เล่าเหตุการณ์ที่แกเจอที่บ้านเมื่อคืนที่ฟังพอแฟนแกได้ฟังก็ตกใจมากและระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นแม่ของแฟนก็เดินเข้ามาพอดีได้ยินเข้า แกก็บอกให้พี่นัดไปจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสียเขาคงจะโกรธที่ไปอยู่โดยไม่ได้บอกเล่าเขาก่อนพี่นัดก็รับคำแม่ของแฟนทั้งที่ตอนที่เขาอยู่แต่แรกแกก็ทำแล้วไม่เป็นไรทำอีกครั้งก็ได้แกคิดแล้วเมื่อกลับถึงบ้านแกก็รีบทำตามที่แม่แฟนบอกทันทีคืนนั้นก็เข้านอนตามปกติแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์คงจะเป็นปกติด้วยแต่แล้วเมื่อแกหลับไปแกก็ฝันเห็นยายคุณเดิมมาอีกครั้งก็ยังข่มมาต่อว่าแกเหมือนเมื่อคืน ออกไปจากบ้านค่าบุญอะไรค่าก็ไม่เอาแกชงออกไปจากบ้านค่าเดี๋ยวนี้พอพูดจบก็เหมือนเดิมยายแก่น้ากลัวก็เดินตรงไปเหยียบโอกแกเหมือนเดิมเสียงยี่แก่ขับไล่ก็ยังวงเวงก้องอยู่ในรหูพี่นัดกลัวมากออกไปออกไปก็หายใจไม่ออกเหมือนเดิมแล้วก็ดิน้นดิ้นแบบเมื่อคืนสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาได้ยายแก่ก็หายไป แกบอกว่าครั้งนี้เหนื่อยมากและความกลกวัวกัทวีมากขึ้นด้วยไม่กล้านอนต่อพอเช้าก็รีบแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานทันทีหลังจะเลิกงานพี่นัด ก, ก็แวะไปรับแฟนของแกที่ทำงานเพื่อจะได้กลับบ้านแฟนด้วยกันแต่ปรากฏว่าแฟนของแกไม่ได้มาทำงานวันนั้นเพื่อนของแฟนบอกว่าลาป่วยพี่นัดรีบตรงไปที่บ้านแฟนทันทีและเมื่อไปถึงแกก็เจอกับแม่ของแฟนแม่ก็บอกให้แกฟังว่าแฟนของแกโดนรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนัก พีนัดตกใจมากไม่ได้ฟังและวพอแกเจอแฟนแฟนแก่ก็บอกว่ายังงงเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงยืนรอรถอยู่ดีๆก็เหมือนกับมีคนมาผลักให้ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมานะ่ะสรุปคืนนั้นพี่นัดนอนเฝ้าแฟนที่บ้านแฟนแต่ก็ยังไม่ไหวแกก็ยังคงฝันเห็นยายแก่คนเดิมมายืนอยู่หน้าบ้านตะโกนไล่แกออกจากบ้านยายแก่ยังคูยอีกว่าไม่งั้นจะเดือดร้อนมากกว่านี้แน่นอนพอเช้าแกตื่นขึ้นมาก็ทบทวนความฝันนึกคิดถึงสาเหตุและต้นตอ จุดทูบใบก็จุดแล้วแล้วจะเอาอยัางไงอีกเนี่ยคิดอยู่หลายตลบก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแกตัดสินใจไปหาเพื่อนคนที่ขายบ้านให้แกในเย็นวันต่อมาเพราะอยากรู้ว่ายายคนนั้นเป็นใครมาไล่อยู่ได้พอเจอเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังทั้งหมดพอเพื่อนแกได้รู้ว่าพิ่นัทเจอแบบนี้ก็รู้สึกเห็นใจจึงได้ยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าเดิมทีหลังบ้านตรงใกล้แปลงผักนะี่ยจะมีซอมปลูกกับสานเก่าเก่าอยู่หลังหนึ่งตอนที่สร้างบ้านหลังนั้นก็เห็นอยู่นะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ่ะ เลยสั่งให้พว ก, กนงานก่อสร้างเรือออกไปหลังจากที่เรือออกไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่พอได้ย้ายเข้าไปอยู่นั่นแหละปัญหามาเลยกเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับนายเจอนี่แหละยายคนนั้นมาบอกว่าไปรื้อบ้านแกทำให้แกไม่มีที่อยู่แกก็จะมาอยู่ในบ้านที่สร้างเสร็จนี่แหละหลังจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวเราก็เจออุบัติเหตุบ้างเมียและลูกๆ ก, ก็ป่วยพากันป่วยจนอยู่ไม่ได้เลยตัดสินใจย้ายออกมาพอย้ายออกมาทุกอย่างก็กลับเป็นปกติเหมือนเดิมเพื่อนอธิบาย พอพี่นัดได้รู้ความจริงก็ทำอะไรไม่ถูกอยู่ดีไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะกลับบ้านก็กลัวยายคนนั้นต้องมาอีกแน่แต่มันไม่มีทางเลือกนี่ยังไงก็ต้องกลับไปนอนที่บ้านและวิธีเดียวที่แกคิดออกก็คือจะไม่เปิดโอกาสที่ยายคนนั้นมาอ้ํามาเหยียบหน้าอกอีกแล้วทั้งเครื่องดื่มชู ก, กำลังทั้งกาแฟอัดเต็มที่อย่าหวังว่าจะหลับเลยแล้วไม่เหยียบกันได้อีกคืนนั้นแกก็นั่งถางตารอไปจนถึงเช้าวิธีนี้นับได้ว่าปลอดภยัยแต่แค่ระหวยรุยแรงเท่านั้น และพอวันรุ่งขึ้นมาถึงพินัดก็รีบอาบน้ําแต่งตัวเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อแก่ที่ต่างจังหวัดไปเล่าให้พ่อแก่ฟังพอพ่อพี่นัดรู้ก็บอกให้พี่เขยพาพี่นัดไปหาหลวงพ่อที่แก่นับถือทันทีและบอกให้ไปเล่าให้หลวงพ่อท่านฟังพอหลวงพ่อท่านได้ทราบก็แนะนําว่าทําบุญรักษาศีลสักเจ็ดวันนะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับยายคนนั้นแล้วก็อย่าลืมไปทาําศาในยายคนนั้นใหม่ซะพี่นัดก็รับคําหลวงพ่อ แล้วก็รีกลับมาลา ง, งานเพื่อจะไปรักษาศีลที่วัดกับหลวงพ่อหลังจากที่พี่นัทปฏิบัติธรรมเสร็จตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำหลวงพ่อท่านก็ให้ของสิ่งหนึ่งกับพี่นัทพร้อมกับกําชับว่าให้พกติดตัวไว้ตลอดนะส่วนอีกชิ้นให้ใส่พานบูชาเมื่อถึงบ้านให้น้าน้ํามานําเขาที่ให้ไปแช่ลงในน้ําแล้วก็สวดคาถากํากับตามที่หลวงพ่อให้ไปนะแล้วก็เอาไปพรหมทั้งในบ้านนอกบ้านในทั่วหลัง หลักที่พี่นัทกลับจากจังหวัดนครสวรรค์บ้านแกเขก็รีบทาตามคําที่หลวงพ่อแนะนําปรากฏว่าคืนนั้นพิ่นัทนอนหลับสบายไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติน่ากลัวเกิดขึ้นเลยตอนเช้าแกก็ตื่นขึ้นด้วยความสดใสแล้วก็ไปทํางานตามปกติพอตกเย็นแกไปรับแฟนแกที่ทํางานพอเจอกับแฟนแกแฟนแกก็เล่าให้ฟังว่านี่เมื่อคืนฝันเห็นใจแก่คนนั้นอีกแล้วพิ่นัทตกใจฝันว่ายัางไงอะไรแกมาว่าไงบ้าง ในฝันเห็นแกทีแรกก็กลัวแต่คราวนี้ยายแกมาแปลกนะแกมาพูดจาด้วยแบบดีอ่ะพูดดีมากแกบอกว่าอย่าไยล่ ย, ย้ายไปเลยนะจ๊ะยายอยู่ในนั่นมานานแล้วช่วยไปบอกแฟนเองด้วยนะว่ายายยอมแล้วอย่าไล่ย้ า, ายไปไหนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะแกบอกแค่นั้นแหละแล้วก็สะดุ้งตื่นพี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าแฟนแกถามพี่นัด ก, ก็บอกกับแฟนว่าแกไปทําอะไรมาบ้างส่วนเรื่องของยายคนนั้น ก็ว่าเดี๋ยวจะสร้างสารใหม่ให้แกนะแล้วก็จะทําบุญใส่บาตรให้ทุกครั้งที่มีโอกาสในจากนั้นพี่นัดก็ทําตามคําที่รับกับหลวงพ่อท่านสร้างสารใหม่ให้กับยายคนนั้นแล้วก็ใส่บาตรให้แกเก็บทุกวันก่อนที่จะออกไปทํางานปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่มีการรบกวนจากยายอีกเลยไม่มีบรรยากาศของความน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วแกก็ยังถูกลอตเตอรี่5งงวติดต่อกันด้วยซึ่งทุกครั้งที่แกถูกระงวัลแกก็จะทําบุญให้ยายทุกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวที่พินัดเล่าให้ผมฟัง พอฟังแกเล่าจบผมก็ถามแกว่าพี่หลวงพ่อท่านชื่ออะไรครับอยู่วัดไหนและของดีที่หลวงพ่อให้พี่มานะ่ะคืออะไรแกก็ตอบว่าหลวงพ่อท่านให้มีดหมอมาเล่มเล็กให้พกติดตัวเล่มใหญ่ให้บูชาที่บ้านแกก็ยังไม่ยอมบอกชื่อหลวงพ่ออีกนะและหลวงพ่อชื่ออะไรล่ะครับผมย้ำถามแกอีกครั้งมีดนี้เป็นของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรและจากประสบการณ์ที่พี่นัดเล่าให้ผมฟังนี้ทําให้ตัวผมได้รู้จักหลวงพ่อจ้อย และก็ได้ไปสอหาหมีดหมอของท่านมาติดตัวไว้บูชาโอกาสหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับมีดหมอหลวงพ่อจ้อยให้ฟังนะครับครับผมแลเรื่องราวของท่านผู้ไม่ประสองค์ออกนามก็จบลงครับยังไงยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดก็ยังคงส่งเรื่องราวมาได้เรื่อยๆนะครับขอขอบคุณสําหรับกําลังใจของทุกท่านนะครับที่มอบให้มาช่วงนี้ไม่ค่อยสบายหายไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่เอ้ยแล้วแต่